เปก็เจลี่ยนอ่ะจ้าันใหม่หมดเลยเขาจะเปลี่ยนใหม่หมดเลยก็เรก็มีจากนี้กางกาายาคได้กเลืองทเราสนเลย เกษตนะตวน้าได้ได้ได้ตัวตุ้นะรเปี่ยนแปตตอะไรตุ้มตุ้อะไรตุมอะไรตุ้นต้อมตุ้ม้มอะไรตุ้ะไร้มตุ้มตุ้มอะไรตุ้้มตุตอรตมอไมตุ้ตุอไรรตมตุตอะรมต้อ้อไ้ม้อร ในขนมการใช้ถอยหม่กว่าและา้าหลวงพ่อระอย่างสูงนอกากี้ถามหลวงพ่อว่า ที่หลวงพ่อแนะนำบอกว่าอาารที่เราจะกินนะเราตั้งเป็นไปต้อเป็นอะไรล้วครับเป็นพุทธบูชาเลยทีตวน่รั้งานดเองนะแต่เราาจริงจังนตต่ตอนย่าวามึก็ได้นเม่มเพิเพิเพม่ม่มเ่เพิ่ม่มเพิ่มเพ้าม่มม่มเพิ่ม่ม่มเพา่มเพ่ม่เเ ดี๋ยวขาทงานจบเสรดจตมีตัมเปิดคุณคือแต่ไม่เยอะขนานั้าดจอผู้มาใหม่ได้ไโอ้นี่จะบอกว่าถ้าตรงนั้นใช่ไม่ไม่งแปลอะไรเลยเล้วทำไมคนไทยต้อง ไอ้ที่เราไเคยเยโทษใครก็ทำท่ขาทำแ้พายามดราด้วยเจ้าลูกใช่ไห้ามันรู้เเป็นอ่ถ้ารู้ละเขรู้หละถ้ารู้ไม่แน่ก็แสดงว่าสวามตับติดกันนะถ้าคนถ้าฉันโกรธหลับจากคนนั้นโกธเนาะ่าถ้าันกรธคนนมา กลับไปปั่นจักรานที่เขาสอบเดูทีไทยใ่หมายหมายเราเร่อาฆ่ามวดฆ่าฉมวดเรื่าด่าเรื่อาด้วยนะขับกั้นด่าเขาด้วยขึ้นร้ามือสวนเรืนสงสอ๋อหมาย่ากลับโรงพักนั่นหละใ่ใจ่ไม่ควรจะเรงพักดับฉมดแหม่ไม่โดนานมต้องดูไทยแล้วเลยนะรียกเรออกด้กับตนนี้พวกเราเป็ดคนนี้ื่อคนไม่่ด้เยอ่าเรเจ้าเลย ทนไม่ดาเราเราโวยไม่ได้โวยมายุ <itch> ah, ่งแล้วตอนนี้ก็แสดงว่าเขาด่าเราแล้วด่ไม่ดีนไม่ดีถ้าเาด่าเราแล้วก็ีแลวไม่ด่าจยิ่โวยเราเโอ้โหจ่ากันก็เป็นนันว่าสบายใจสักอย่างหนึ่งว่าหลวงพ่อไม่เคยถูกลูกตัวไทยเลยนะ แม่แม่มะกานามันเขาไม่ก่อหนี้เหรอ20ามก่อตาราเฮอเป็นต้องตอ้พเีทากันไข้าวขีเแกีเนหนุ่มตอนนั้ยยมแลเคยไ่าอหมาบานี้เมนหดกันไม้ใชนา้